พระธรรมเทศนาแผนที่78ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัด er, ป่านาคำน้อยจัง urgency, หวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าหัวใจหลักของวัด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 รับทองคําเข้าคลังหลวงเป็นส่วนมากแต่พูดเรื่องสินเรื่องกฎระเบียบเรื่องการเป็นอยู่เรื่องพ่อคุณของพ่อแม่และการพร้อมเพียงสามัคคีท่านจะพูดในลักษณะนี้ถ้าเทศตอนกลางวันแต่ภาคกลางคืนตั้งแต่สองทุทองทุ่มแล้วไปถึงตีห้าท่านโรมเรื่องของพระสถานีวิทยุของหลวงตาที่เราได้ไประชุมหารือกันว่า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 มันมีไม่กี่เครื่องมีเครื่องสองเครื่องก็อยู่กับนยะผู้ท่านดูแลท่านก็ไม่ได้ใชให้จะให้สุมสี่สุมห้ากลัวมันจะเสียเนะียเสียเราก็หาอะไร ซ, ซ่อมยากอีกต่างหากลุ่นอยู่อังกฤษเยอรมันนะ่ะยี่ห้อฟินลิปนี่ห้อกุนดิอสมัยนั้นนะมันไม่ใช่ของญี่ปุ่นอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นที่จะได้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเนะี่ยยากอแล้วก็หนังสือก็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 พวกนาโต้พ ว, วกอะไรเนะี่ยเขามาอยู่ในเมืองไทยเพื่อจะไปเวียดนามไปถล่มเวียดนามพวกเราก็รู้ๆกันอยู่นะแต่บเวลาลงตาจะเทศเนะี่ยพอเทศเทศเทไปน้อยนึง เ, เสียงไอพ่นมันก็วิ่งออมจุดจุดเงียบก่อนที่จะผ่านไปได้พอผ่านไปแล้วท่านก็เทศต่อ <c oughs> แต่บางครั้ง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 ไม่ให้จิตใจของเราให้เห็นให้รู้แจ้งหเห็นจริงในธรรมให้รู้แจ้งหเห็นจริงในเรื่องโลภโกรธหลวงราคะโทสะโมหะยกจิตใจของตนเองให้พ้นจากทุกในวัฏสงสารถึงพระนิพพานนั่นแหละเลิศประเสริฐอันนั้นคือหัวใจของพวกเราท่านทั้งหลายแต่เรื่องของเคนมามากๆอย่างวันที่ยี่สเจ็ดเราจะปลื้มใจเพียงแค่นั้นมาได้แต่ ง, งานศพ ก, ก็ยังไปมาก แลกงานอย่างอื่นก็มีมากเออถ้าหามแห่คนไปประหารเนี่ยก็คนอยากจะไปดูเขามากเหมือนกันนะไม่ใช่แต่จะมากแต่ทางดีนตทางเหลวทางชั่วเข า, เขามากเหมือนกันเพราะนั้นเราจะไปคิดว่าคนมากคนน้อยจุดนั้นเอ่อแต่ว่าเรื่องจิตใจของเราเนะ่ะเราจะยกระดับจิตของเราใจของเรานะให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา